เรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นเรื่องที่หมอชีวโกโกมารพัฒต้องการอยากจะนำผ้าเซวยยกะสื่อนับเป็นผ้าที่มีราคาแพงประมาณราคากันไม่ได้เอามาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่หมอชีวกได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสักอย่างหนึ่งพระเจ้าค่ะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสแย้งนิดหน่อยนว่า แต่ถาคดเลิกให้พรเสร็แล้วหมอชีวโกโกมารพัฒจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์จะกราบทูลขอประทานพรแต่สิ่งที่สมควรแก่สมณนะและไม่มีโทษเท่านั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าหมอชีวกท่านจงกล่าวมาเถิดหมอชีวโกโกมารพัฒกราบทูลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ก็ทรงนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นปกติเท่านั้นผ้าศิวิยะกะคู่นี้ที่พระเจ้าจันทปชชัผดชนทรงส่งมาพระราชทานแก่ข้าพระองค์เป็นผ้าเนื้อดีเป็นผ้าเนื้อประเสริฐเลิศล้อนยอย่างยิ่งมีชื่อเสียงดีเด่นที่สุดกว่าผ้าทั้งหลายจํานวนมากมายตั้งหลายคู่ หลายร้อยคู่หลายพันคู่หรือหลายแสนคู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณารับผ้าสิวยะกะคู่นี้ของข้าพระองค์และขอจงทรงพระพุทธานุญาตคฤหบดีจีวครคําว่าคฤหบดีจีวรนั่นก็คือจีวรนที่ชาวบ้านเขาถวายพระแก่พระภิกษุสงฆ์เถิดพระเจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังครับเรื่องผ้าบางสกุลนี้ก็อยากจะอธิบายสักนิดหน่อยนะครับว่าผ้าบางสกุลนี้ก็เป็นผ้าที่เกลือกลัวกับฝุ่นนะครับคือเป็นผ้าเหมือนกับเขาทิ้งไปตามกองขยะพระก็ไปพิจารณาเอามาใช้เป็นสมบงบงั่งจีวรบัางเอามาเย็บปะติดปะต่อกันผ้าบางสกุลก็เป็นผ้าที่พระพิสุ ชักมาจากศพหรือผ้าที่ทอดบนสายศีลหรือผูษาโยงที่ต่อมาจากศพนะครับยิงเรียกกันว่าผ้าบางสกุลเป็นผ้าที่พระภิกษุท่านไปเก็บมาจากกองขยนะนเบื้องแรกทีเดียวนะครับไปเก็บตากกองขยะหรือจากศพที่เขาห่อศพทิ้งแล้วเนี่ยท่านก็จะไปเก็บเอามาแล้วก็เอามาซัก เอามาสุสุ ก, ก็คือเอาไปต้มกับน้ำสบู่หรือน้ำผงซักฟอกอะไรเนี่ยครับแล้วก็จึงซักให้สะอาดแล้วก็ไปย้อมสีนี่ก็เป็นเรื่องผ้าบางสกุลนิดหน่อยที่ท่านในผู้ฟังได้รู้จักนะครับเมื่อหมอชีวกกราบถวายบองโคมทูลถวายผ้าบางสกุลหรือผ้าสิวยากะนั้นอันเป็นผ้าที่เรียกว่า ผ้ากระบาดจีวรในสมัยก่อนยังไม่มีนะครับเรื่องผ้าที่ชาวบ้านก็จะถวายพระเนี่ยที่เรียกว่ากระบาดจีวร น, นี้ยังไม่มีชาวบ้านยังไม่ทรงอนุ ญ, ญาตแต่หมอชีวกโกมารพัตได้กราบทูลขอพอในเรื่องนี้ก็เพราะว่าต้องการอยากจะถวายผ้าสีวยกากะนี่แหละและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับผ้าสิวิยกากะคูนั้น แล้วทรงแสดงธรรมโปรดหมอชีวโกโกมารพัฒให้เห็นแจ้งให้ถือมั่นอันดีให้อาจหาน ร, ร่าเริงด้วยทรมีคถาทรมีคถาก็คือถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมะตามสมควรแก่เวลาหมอชีวโกโกมารพัฒฟังพระธรรมเทศนาแล้วจึงลุกขึ้นจากที่นั่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณและก็ลากลับไป ความศรัทธาเลื่อมใสหรือความศรัทธาคือความเชื่อถือที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาของหมอชีวโกโกมารพัฒน์ทำให้หมอชีวโกโกมารพัฒเนี่ยได้สร้างวัดถวายในพระพุทธศาสนาดังมีเรื่องอยู่ในอัจถริยะัำพีปปัญจสุทนีและในอัจถริยะัำพีสมังคละลวิลาสินีว่าครั้งหนึ่งหมอชีวโกโกมารพัต ถวายยาถ่า ย, ดาาายาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าจนทำให้พระองค์ทรงมีพระวรกายเบาแล้วจึงถวายผ้าสวยากะคู่หนึ่งและถวายผ้าบริวาร 1,000 พผืนแก่พระพิสุสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณารับถวายผ้าสวยากะจากหมอชีวกกมมารพัดแล้วจึงทรงกระท ร, รมโนทนา คือการแสดงความชื่นชมยินดีเห็นคุณค่าแห่งการกระทำดีของผู้อื่นนะครับคำว่าอนุโทนาเนี่ยคือพรอยินดีในการกระทำดีของผู้อื่นนั่นเองและก็ทรงทำโธนาเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการถวายผ้านะครับคือแสดงอาณิสงของผ้าให้หมอชิวโกมารพัฒได้รับทราบว่าคือการถวายผ้าเนี่ยมีอาณสงมาว่า ผู้ที่ปรารถนาอยากจะมีผิวพรรณสวยนะครับก็ต้องถวายผ้าจะเป็นผ้าไตรหรือผ้าสบ o n ผ้าจีวรนอะไรก็แล้วแต่ให้ทำบุญด้วยผ้าท่านก็จะได้ผิวกายที่สวยงามนะครับเหมือนกับนางวิสาขาที่ท่านเดมีผิวกายสวยเพราะท่านเคยถวายผ้าไตรไว เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทาอนุโมทนากระถาจบลงแล้วหมอชีวกโกมารพัฒ์ฟังตามไปโดยตลอดก็ได้สำเร็จพระโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันคือได้เป็นพระเรียบบุคคลชั้นต้นในบรรดาพระเรียบุคคลสี่ประเภทและท่านได้เป็นผู้มีอาจลศรัทธา คำว่าอาจารละัทธาคือความเชื่อมั่นอันไม่คลอนแคลนหรือไม่หวั่นไหวเป็นความเชื่อมั่นที่เชื่อด้วยใจคงตนเองร้อยเปอร์ซน์แล้วก็จะไม่มีความคลืบคล่งสงสัยใดใดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคำว่าพระโสดาบันในคหมายถึงท่านผู้ที่ได้สิงถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานแล้วเป็นผู้แน่วแน่ที่จะได้เป็นพระอรหันต์อันเป็นพระเรียบุคคลชั้นสูงสุด ในโอกาสการต่อไปภายหน้าครับนี่ก็เป็นอันที่พอทราบได้ ว, ว่าหมอชีวกกมารพัฒนั้นเป็นประโสดาบันนะครับใครจะไปตาหนิติเตียนกล่าวร่วงเกินท่านจะเป็นบาปฉะนั้นเป็นท่านบุคคลที่ควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญถึงเกียรติคุณความดีของท่านเท่านั้นเมื่อท่าน มีความเชื่อมั่นอันไม่โคลนแคลนในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็คิดว่าเราได้ไปเข้าฝ้าพระผู้มีพร ะ, พระเจ้าวันละสองถึงสามครั้งวัดพระเวรวรรมหาวิหารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ไกลส่วนสวนมะมงของเราอยู่ใกล้กว่าเราควรจะสร้างวิหาร คำว่าวิหารนี้ก็หมายถึงที่อยู่หรือวัดนั่นเองนะครับแล้วน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่สวนมะม่วงของเราจึงจะเป็นการดีพอท่านคิดดังนี้แล้วจึงได้สร้างที่อยู่กลางคืนและที่พักกลางวันที่อันเงียบสงัดสร้างโกติสร้างมณโฑเป็นต้นลงในสวนของตนและสร้างพระคันทกุดี ที่เหมาะสมสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเมื่อหมอชีวโกโกมารพัฒสร้างวิหารเสร็จแล้วจึงได้กระทํากําแพงสูง18ศอกล้อมรอบสวนมะม่วงนั้นและพอสร้างกําแพงเสร็จแล้วได้ถวายอาหารและจีวรแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วได้หลั่งน้ําทักสิโนโทก คำว่าน้ำทักษีโนโทกก็หมายถึงน้ำที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาดอันหนึ่งในปัจจุบันเราจะถวายสิ่งของใหญ่ๆที่เราไม่สามารถจะยกถวายได้นี่ก็จะมีวิธีการอีกอันหนึ่งนอ ก, กําใช้น้ำหลั่งลงในมือของพระแล้วเนี่ยก็ใช้ c สายสีนะครับผูกกับวัตถุใหญ่ๆ แล้วเอาปลายอีกข้างหนึ่งของสายศีลนั้นนะ่ะมาบะเคียนพระครับที่เราทำกันในปัจจุบันนี้เช่นคนจะถวายธนาัตรที่ไม่สามารถจะยกได้กุฏิที่ไม่สามารถจะยกถวายได้เนี่ยก็ใช้สายศีลไปโยงจากวัตถุสิ่งของใหญ่ๆเหล่านั้นน่มาผูกไว้ปลายข้างหนึ่งมาผูกไว้กับกุฏิหรือสิ่งของที่จะถวายแล้วก็เอาปลายข้างหนึ่งเนี่ย จับไปถวายแก่พระเท่ากับเป็นการมอบถวายสิ่งของที่เราประสงค์จะถวายนั้นครับในครั้งนั้นหมอชีวโกโมรารพัฒ ท, ท่านใช้วิธีการหลั่งน้ำลงบนพระหัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่านเป็นเครื่องหมายถึงการแสดงว่าถวายวิหารนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระปิสุสงฆ์1250งบรูป ได้ประทับอยู่ในวัดอัมพวันวิหารและวิหารนี้ได้เรียกชื่อหมอชีวโกโกมารพัฒนรวมอยู่ด้วยเหตุนี้ก็เพื่อต้องการจะให้ชื่อวัดเนี่ยต่างกับวัดที่มีชื่อและสร้างในส่วนม่งเหมือนกับของหมอชีวโกโกมารพัโดยเติมคานาหน้าชื่อของหมอชีวโกโกมารพัฒเข้าไปว่า ชีวกรรมพวันโดยมีความหมายว่าสวนมะม่วงของหมอชีวกนั่นเองครับนี่ก็เป็นผลบุญชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งที่หมอชีวกกมุมารพัดได้กระทำไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะการสร้างที่อยู่อาศัยถวายพระเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุทานที่สูงที่สุดเพราะมีอเนิสงฆ์ว่าผู้ให้ที่อยู่เนี่ยชื่อว่า ให้ทุกสิ่งทุกอย่างม้ความว่าเมื่อถวายที่อยู่แล้วเนี่ยผลบุญนั้นเหมือนกับให้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นผู้ที่เคยถวายก็จงภูมิใจเถอะว่าเราได้กระทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับความสุขความสบายต่อไปในอนาคตนะครับ มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากหมอชีวกเป็นผู้กระทมเป็นคนแรกแล้วก็ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายใช้ผ้ากระบดีจีวรก็คือผ้าที่ชาวบ้านเขาถวายได้ตามที่หมอชีวโกโกมารพัฒกราบทูลขอพรดังมีข้อความอยู่ในบาลีคัมภีร์มหาวัคค์พระวินัยปิฎก แห่งจีวรขันธกวะว่าพระผู้มีพระภาคยา้าตรัสกับพระพิสุทั้งปวงว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายจะถาคตอนุญาตครหบดีจีวรแต่พิสุใดประสงค์จะใช้ผ้าบางสุกุลจีวรก็จงใช้ผ้าบางสุกุลจีวรผู้ประสงค์จะใช้ขรหะบดีจีวรก็จงใช้ขรหบดีจีวจรเถิด แต่ตถาคตสารเสรินการยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นะประชาชนในพระนครราชเครือพอได้ทราบถึงพระพุทธานุญาตนั้นแล้วต่างมีใจร่าเริงหันษาว่าบัดนี้พวกเราจะได้ถวายทานจะได้กระทําบุญเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตขรรหบดีจีวรแก่พระพิสุทั้งปวงแล้ว ก็คือดีใจว่าเราจะถวายชีวรก็ถวายได้แล้วเมื่อก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางไม่ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายรับจีวรที่ชาวบ้านเขาถวายได้เพียงแต่อนุญาตให้ไปแสวงหาผ้าบางสกุลดังที่กล่าวมาว่าต้องไปเก็บมาจากผ้าที่เขาห่อศพทิ้งไว้ในประชาบ้างแล้วก็ผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะบ้างท่านก็เก็บเอามาซัก แล้วก็เอามายอมแล้วก็ามาเย็บประติดประต่อทำเป็นจีวรเป็นสบงอะไรเหล่านี้เป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระเจ้าทรงอนุญาตเพียงชั่วเวลาวันเดียวเท่านั้นจีวรหลายพันผืนก็ได้มาเกิดขึ้นในพระนครราชครุส่วนประชาชนชาวชนบทพอได้ทราบข่าวดังนั้นต่างก็มีใจร่าเริงยินดีได้จัด จีวอนถวายพระพิสุทังหลายตั้งหลายพันผืนเช่นกันและในคราวนั้นผ้าปาวานชื่อปาวานนะครับผ้าคือเป็นผ้าที่ทำด้วยใยฝ้ายแล้วก็เป็นผ้าห่มผืนใหญ่มีขนชื่อปาวานนะครับได้เกิดขึ้นแก่พระพิสุสงและพระพิสุสงก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้ทรงทราบ พ, พระองค์จึงทรงอนุญาตให้รับผ้าที่ชาวบ้านถวายได้ต่อมามีผ้าโกสายปาวานผ้าโกสายปาวานก็คือผ้าฝ้ายแกมไหมและผ้าโกเชาผ้าโกเชาก็คือผ้าที่ทำด้วยขนแกะได้เกิดขึ้นอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสรุญาตให รับถวายได้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายแต่ถาคตอนุญาตให้พิสุสง์รับผ้าโกสายยาปาวานและผ้าโกชาวได้การต่อมาหมอชีวกโกมารพัฒได้รับรางวัลโดยพระราชาแห่งแคว้นกาสีผู้ทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระบิดาเดียวกับพระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชาแห่งแคว้นโกศน สรงพระกรุณาส่งผ้ากำพลที่มีราคา500กหาปณะนะไปพระราชทานแก่หมอชีวโกโกมารพัฒผ้ากำพลนี้ก็คือผ้าขนสัตว์เอนะครับครั้งนั้นหมอชีวโกโกมารพัฒได้ถือผ้ากำพลนั้นไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผ้ากำพลผืนนี้มีราคา ครึ่งกาสีคือหนะ้าร้อยคาห์ปณะพระเจ้ากาสีทรงพระกรุณาทรงมาพระราชทานแก่ข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาโปรดรับผ้ากัมพลของข้าพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระเจ้าค่ะคำว่าผ้าที่มีราคาครึ่งกาสีนี้ ก็เท่ากับ500กหาปณะนะส่วนราคาหนึ่งกาสีนี้มีราคาเท่ากับ 1,000 กหาปณ ะ, ะนะครับนี่เป็นราคาของแคว้นกาสีที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นครั้งละพันกหาปณะนะแต่ว่าผ้าที่หมอชีวกได้รับพระาชทานมานั้นมีค่าเท่ากับ500กหาปณะนะ คำว่ะหาปณ ะ, ะนี่ก็เป็นชื่อเงินโบราณในสมัยอินเดียนะครับถ้าเทียบราคาก็ประมาณหนึ่งกะหาปณ ะ, ะเท่ากับ4บาทนห้นะครับดีหมอชุวกท่านก็กระทำความดีที่นับว่าเป็นตัวอย่างจริงๆนะท่านดได้ของดีดีมาสมควรจะใช้เองท่านก็พิจารณาว่า คจะทาบุญเรียกว่าให้ได้บุญต่อไปดีกว่าดีกว่าใช้เองเหมือนกับพ่อแม่บางท่านเมื่อลูกนาเอาผลไม้เอาอาหาระระดีๆมาให้กับพ่อกับแม่เนี่ยพ่อแม่ก็รับไว้แล้วใจของพ่อแม่เนี่ยเมื่อเห็นอาหารนี ด, ดีก็อยากจะทำบุญเมื่อตนทำให้ลูกได้บุญจากนำมาให้แก่ตนแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ได้บุญ อีกทอดหนึ่งคือจะไปถวายแกพระลูกบางคนก็นึกน้อยใจก็มีนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเรานำอาหารมาให้แล้วเนี่ยท่านไมยอมรับประทานอาหารของเรากลับเอาไปถวายพระท่านอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับคิดถึงคำที่คุณแม่ผู้หนึ่งฉลาดมากท่านก็พูดว่าลูกเอ๋ยที่ลูกนำาให้พ่อให้แม่เนี่ย ลูกก็ได้บุญส่วนหนึ่งแล้วแต่แม่นํามาไปถวายพระเนี่ยลูกก็จะได้บุญมากกันอีกด้วยนะลูกนะแล้วก็อาหารมื้อนี้หรือของอย่างเนี้ยที่แม่ได้รับจากลูกแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อไปมากกว่าที่เรารับประทานเองในชาติหน้าฟ้าใหม่เนี่ยผลดีที่เราทําไวน้นี้ก็จะมากลับมาเป็นของเราอีกลูกก็ทําให้ลูกได้เข้าใจได้เหมือนกันนะครับเพราะแม่ที่มี ความรู้ความเข้าใจในการกระทําบุญสุนทานเนี่ยก็พูดปลอบใจลูกให้ได้คิดในทางที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องไปน้ยเนื้อต่ําใจว่าเรานําอาหารมาให้พ่อแม่ไม่รับประทานอาหารของเราถ้าท่านนําเอาไปกระทําบุญสุนทานเนีย่ยนั้นอ น, อนุโมทนาเถอะครับเป็นบุญเพิ่มอีกต่อหนึ่งเลยต่อหนึ่งท่านได้จากที่พ่อแม่และอีกต่อหนึ่งท่านก็จะได้จาก พ่อแม่เขเรานำไปถวายพระนั่นแหละครับคราวนี้มากล่าวถึงหมอชีวโกโกมารพัฒเมื่อได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ทรงบัญญัติสีขาบทห้ามพระพิสุทิ์ทางหลายบวชให้แก่กลุลบุตรผู้เป็นโรคห้าชนิดที่มีเรื่องกล่าวอยู่ในบาลีมหาขันธะคัมภีร์มหามหวาระวัค พระวินัยยปีดกในอันตรายิกธรรมว่าด้วยโรคห้าชนิดดังนี้ในสมัยนั้นที่มคตชนบทเกิดโรคระบาดขึ้นห้าชนิดได้แก่หนึ่งโรคเรื้อนสองโรคฝีสามโรคกรากหรือที่เราเรียกมาสัตย์พานว่าีกรากนะครับสี่โรคมองคร้อและห้า โรคลมบ้าหมูในโรคห้าชนิดเนี่ยก็มีสิ่งที่เรายัางไม่เคยรู้จักกันดีก็คือโรคมองคร่อนะโรคเลือนนี่เราก็จะพอมองเห็นและพอเคยเจ อ, อโรคฝีนี่ก็เคยเจอกันหรือบางคนก็เคยเป็นมาแล้วโรคกรากก็รู้จักกันดีบางคนก็เคยเป็นบางคนก็ไม่ได้เคยเป็นแต่ก็เคยเห็นแล้ว โรคลมบ้าหมูอันนี้เป็นโรคลมที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเผื่อว่าท่านรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องแรกในกี้กคนจะช่วยเขาคือพวคลมบ้าหมูนี่จะมจะกัดอะไรต่ออะไรที่ลิ้นเผลอลิ้นแลบออกมานี่บางคนกัดลิ้นขาดนะครับเวลาเกิดโรคลมบ้าหมูขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาลืมสติตรงนั้นวิธีการเบื้องต้นท่านจะเอาหาไม้เนี่ยใส่ปากเอาไว้เพื่อไม่ให้เขา ง, งับเผื่อลิ้นหลุดออกมาเนี่ย ลิ้นเอามาอยู่ในระหว่างฟันนี้ก็เอาไม้ใส่แทนเชื้อเพื่อให้เขากัดไม้นั้นลิ้นขอจะไม่เป็นอันตรายข้อนี้มาโรคมองคร้อคืออะไรโรคมองคร้อนี่ก็คือโรคชนิดหนึ่งมีเสมหะแห้งอยู่ในลำหลอดปอดนะครับเหมือนก็ว่าจะเป็นโรคปอดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะโรคปอดหรือที่เรียกว่าโรคอะิวตโรคอา วันโรคเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ติดต่อนะครับฉะนั้นหมอชีวกท่านเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งห้าประการเนี่ยก็ควรที่จะมีพุทธบัญญัติห้ามเอาไว้เพื่อรักษาโรคนั้นให้หายใช้ก่อนถ้าคืนให้บทเข้ามาก็จะพลอยกันมาติดโรคให้กับพิสุรูปอื่นๆด้วยนะครับคราวนี้เมื่อ หมอชีวกได้พูดถึงโรคห้าชนิดนี้แล้วบุคคลทั้งหลายก็เกิดเป็นโรคห้าชนิดขึ้นเป็นจํานวนมากทีเดียวจึงพากันไปหาหมอชีวกโกมารพัฒและบอกว่าท่านอาจารย์ขอท่านกรุณาช่วยรักษาพวกข้าพเจ้าโดยเถิดขอรับหมอชีวกโกมารพัฒกล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายฉันมีกิ จ, จา ก, การงานที่ต้องกระทํามากมายคือ จะต้องถวายการอภิบาลบำรุงรักษาพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ต้องรับใช้พวกฝ่ายในและต้องรับใช้ประสงค์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขฉันไม่สามารถที่จะช่วยรักษาพวกท่านได้บุคคลทั้งหลายก็ได้กล่าวอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์ครับทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกข้าพเจ้าขอยกให้แก่ท่าน และพวกข้าพเจ้ายอมเป็นทาสของท่านขอท่านอาจารย์โกโรุณาช่วยรักษาพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดขอรับ ม, มชิวโ ก, โกมรพัฒยึิงกล่าวว่านี่แน่ท่านทั้งหลายฉันมีกิจการงานที่ต้องกระทำมากมายจริงๆคือฉันต้องถวาย การอภิบาลพระเจ้าพิมพิสารต้องรับใช้พวกฝ่ายในทั้งต้องรับใช้ประสงค์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกฉันไม่สามารถจะช่วยเหลือรักษาพวกท่านได้จริงๆบุคคลนั้นจึงคิดว่าพระสมณศักดิ์ยบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีความสุขสบายเสมอมีความประพุทสบายฉันอาหารที่ดี นอนในห้องนอนอันมิชิตพวกเราควรบวชอยู่ในสำนักของพระสมณะสักายบุตรเหล่านี้ในที่นั้นมีพระพิสุทิ์ทั้งหลายจะทำนุบบำรุงพวกเราและหมอชีวโกโกมารพัฒ์จะได้รักษาพวกเราด้วยเมื่อบุคคลเหล่านั้นคิดดังนี้จึงพากันเข้าไปหาพระพิสุทิ์ทั้งหลายแล้วกราบเรียน ขอบรนประชาต่อพระพิสูตทั้งหลายพระพิสูตทั้งหลายก็ได้อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นบรนประชาอุปสมบทเพราะตอนนั้นยังไม่ได้มีบทบัญญัติห้ามเรื่องโรคห้าชนิดดังที่กล่าวมาแต่ว่าหมอชีวกเป็นผู้ที่กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติห้ามขึ้นนะครับในสมัยต่อมาพระพิสูตทั้งหลายได้บำรุงรักษาพระพิสูุอาพาธเหล่านั้น และพระพิสุอาพาธเหล่านั้นก็มีจํานวนมากขึ้นก็มีการขอร้องมากขึ้นคือขอว่าท่านทั้งหลายจงให้อาหารสำหรับพระพิสุไข้จงให้อาหารสำหรับพระพิสุผู้พยาบาลพระพิสุไข้จงให้เพสัชคือยารักษาโรคสำหรับพระพิสุอาพาธฝ่ายหมอชีวโกโมารพัท มัวแต่สารวนอยู่กับการรักษาพยาบาลพระพิษุอาพาจำนวนมากจึงปฏิบัติราชการบางอย่างบกพร่องลงไปบ้างมีบุรุษคนหนึ่งเป็นโรคห้าชนิดนั้นได้ไปหาหมอชีวโกโกมารพัทแล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ขอท่านกรนาช่วยรักษากระผมด้วยเถิดขอรับหมอชีวโกโกมารพัทจริงกล่าวกับบุรุษนั้นว่าบุรุษผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีกิจการงานที่ต้องกระทำมากมายโดยข้าพเจ้าต้องคอยถวายอภิบาลพระเจ้าพิมพิสารต้องคอยรับใช้พวกฝ่ายในและต้องรับใช้พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าไม่สามารถช่วยรักษาท่านได้จริงๆบุรุษนั้นจึงกล่าวอ้อนวอนว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของกระผมขอยกให้แก่ท่าน แลกระผมยอมเป็นทาสของท่านขอท่านอาจารย์กรุณาช่วยรักษากระผมด้วยเถิดครับหมอชีวโกมารพัชก็ได้กล่าวชี้แจงให้บุรุษนั้นได้ฟังถึงความมีกิจการงานมากมายเหมือนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นฝ่ายบุรุษนั้นจึงคิดว่าพระมณศสักยบุตรทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขสบายเสมอมีความประพฤติสบายชนอาหารที่ดี นอนในห้องที่มิดชิดถ้าไรเราควรบวชอยู่ในสำนักของพระวนศสักยบุตรเหล่านี้ดีกว่าเพราะในสถานที่นั้นพระพุทธทั้งหลายจะทนุบำรุงเราและหมอชีวโกโกมารพัฒ์ก็จะรักษาพยาบาลเราด้วยต่อเมื่อเราหายโรคแล้วก็ลาศิกขาคือศึกไปพอเขาคิดได้ดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาพระพุท์ทั้งหลาย แล้วกราบเรียนขอบันประชาต่อพระพิสุทั้งหลายพระพิสุทั้งหลายก็ให้บุรุษนั้นบันประชาอุบุสมบทเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาพระพิสุทั้งหลายได้ช่วยกันบำรุงรักษาพระพิสุอาพาทนั้นและหมอชีวโกโกมารพัทก็ได้ช่วยรักษาพยาบาลด้วยครั้นพระพิสุอาพาทนั้นหายโรคแล้วจิงลาสิขาไปเป็นคารวาต มชีวโกโกมรพัฒได้เห็นบุรุษนั้นลาสิขาแล้วจึงได้ถามบุรุษนั้นว่าเธอบวชอยู่ในสำนักของพระภิกษุทั้งหลายไม่ใช่หรือบุรุษนั้นเรียนตอบตามจริงว่าใช่แล้วขอรับท่านอาจารย์มอชีวกโกมรพัฒจรจึงไต่ถามต่อไปว่าเธอได้กระทําพฤติการคือเหตุการณ์ที่เป็นไปเช่นนั้นเพื่อประสงค์อะไรเล่าบุรุษนั้น จึงเรียนตอบเล่าเรื่องให้หมอชีวโกโกโมารพัฒได้ทราบหมอชีวโกโกมารพัฒได้เพ่งโทษติเตียนโพลทนาว่าทำไมพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงให้กลบุตรผู้เป็นโรคห้าชนิดบรรพชาแล้วหมอชีวโกโกมารพัฒจึงไปเข้าฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่โคนส่วนข้าหนึ่งและได้กราบทูลเพื่อ ขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอประทานพระวโรกาสขออย่าให้พระคุณเจ้าทั้งหลายให้กระบุตรผู้เป็นโรคห้าชนิดบันประชาพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้หมอชีวโกโกมารพัฒมีความรู้ความเห็นแจ้งให้ถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีคถา ครนหมอชีวโกโกมารพัฒได้ฟังธรรมีระถาคือถ้อยคําที่กล่าวถึงธรรมะแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้าและกระทาประทักษิณเสร็จแล้วก็กลับไปลาดับต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาเหตุนั้น เป็นข้าวมูลแห่งเหตุแรกเปิดตรัสกับพระพิสุทังหลายว่าดูก่อนพิสุทังหลายก็ระบุเป็นโรคห้าชนิดพิสุไม่ควรให้บรรพชาพิสุรูปใดให้บรรพชาพิษุรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎคำว่าทุกกฎนี่ก็หมายถึงทงไม่ดีนะครับแล้วยังมีมูลเหตุอย่างอื่นที่หมอชิวกเป็นผู้ เริ่มต้นเอาไว้หรือเรียกว่าเป็นต้นคิดทําให้มีสถานที่ต่างๆสําหรับพระพิสุสงฆ์อีกหลายอย่างครับมูลเหตุแห่งการเกิดสถานที่จงกรมและเรือนไฟที่มีสําหรับไว้ใช้เป็นที่บริหารและอบกายของพระพิสุทั้งหลาย<ม>ก็เกี่ยวเนื่องมาจากหมอชีวโกโกมรพัฒเป็นผู้ กราบทูลขอตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าดังมีเรื่องอยู่ในบาลีคุตตะวัตถุขันตะว่าโดยเรื่องเล็กๆน้อยๆคัมภีจุลวัคพระวินยัยยปิโดกดังนี้สมัยที่พระพิสุทังหลายไปพักอยู่ที่เมืองเวสาลีหรือภัยสาลีนะครับพวกทายกและทายิกาผู้อยู่ในเมืองเวสาลีได้ปรุง อาหารอันประณีตถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายพระภิกษุเหล่านั้นฉันอาหารอันประนีตแล้วร่างกายก็อ้วนพีแต่เป็นร่างกายที่มีอาพาธคือเจ็บป่วยด้วยโรคด้วยอาพาธคำว่าอาพาธนี้ก็ใช้เฉพาะพระภิกษุสมณีเท่านั้นนะครับอาพาธก็หมายถึงการเจ็บป่วยนั่นเองคือพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยร่างกายอ้วนพีแต่ว่า เป็นร่างกายที่มีโรคที่โบราณเรียกว่าร่างกายอ้วนแต่ว่าอมโรคเอาไว้ครั้นหมอชีวโกโมารพัฒได้ไปที่เมืองเวสาลีด้วยกิจธุระจาเป็นบางอย่างและหมอได้ไปพบเห็นพระพิสุทิ์ทั้งหลายมีร่างกายอ้วนผีผิดปกติร่างกายอ้วนแต่ว่ามีโรคมากเมื่อหมอชีวโกโมารพัฒเห็นดังนั้นจึง เข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งในที่ควรส่วนข้า้งหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญบัดนี้พระพิสุทธังหลายมีร่างกายอ้วนพีผิดปกติมีอาพาธคือมีโรคมากข้าพระองค์ขอประทานบา ร, รกาดขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุญาตให้มีสถานที่จงกรมและมีเรือนไฟแก่พระพิสุทิ์ทั้งหลายเถิดพระพิสุทิ์ทั้งหลายจะได้มีอาตรน้อยลงพระเจ้าค่ะเรื่องสถานที่จงกรมนี้ก็ได้แก่สถานที่เดินไปเดินมาโดยมีสติกำหนดนะครับก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบหนึ่งก็เป็นแบบวงกลม คือพระท่านจะเดินจงกรมเนี่ยเดินรอบเป็นวงกลมไปเรื่อยๆกำหนดมีสติกำหนดพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นทางยาวตรงมาตรงปรายพระท่านจะเดินไปถึงจุดทางครรโนงแล้วก็หันกลับมาเดินมาเรื่อยๆมาจนถึงทางข้างนี้สุดทางข้างนี้นะครับนี่ก็เป็นการเดินจงกรมของพระเดินด้วยความมีสติ กำหนดอยู่ทิกทุกอิริยาบถที่จะเดินไปนะครับเรื่องของหมอชีวโกโกมารพัทที่ไดไปกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นแล้วคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงทรงสแสดงธรรมมีกระถาให้หมอชีวโกโกมารพัทได้เห็นแจ้งให้ยึดมั่นถือมั่นอันดีให้อานฐานราเริฝ่ายหมอชีวโกโกมารพัทก็ลุกขึ้นนั่งกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้า กระทำประทักษิศแล้วก็กลับไปลําดากต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทำมีกระถาในเพราะเหตุนั้นเป็นข้ามูลแห่งเหตุแรกเกิดขึ้นและพระองค์จึงตรัสสั่งพระพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแตถาคตอนุญาตให้มีสถานที่จงกรมและมีเรือนไฟได้นี่ก็เป็น เหตุผลอันเนื่องมาจากหมอชีวโกโกมารพัฒได้กราบองคโมทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุญาตเรื่องสถานที่จงกรมและเรือนไฟเอาไว้เพื่อให้พระพิสุทธิ์ทั้งหลายได้บำบัดร่างกายของท่านไม่ให้อ้วนึงเกินไป ครั้นมากล่าวถึงการกระทำหน้าที่รักษาบาดแผลที่หมอชีวโกโกมารพัทกระทําถวายพระผู้มีพระภาคเจ้ามีเรื่องกล่าวไว้ในอัตถกถาคัมภีรธรรมบทแห่งอรหันตวักว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในสวนมะมงของหมอชีวกโกมารพัทโดยทรงปรารบปัญหาที่หมอชีวกโกมารพัทกราบทูลถามและได้ตรัสพระธรรมเทศนา สอนหมอชีวกโกมารพัดด้วยครั้งหนึ่งพระเทวทัตได้ร่วมคบคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพีสารบรมกษัตริย์และได้ขึ้นไปบนภูเขาคิชกูดด้วยมีจิตคิดร้ายต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยคิดว่าเราจะปรองพระชนชีพพระบรมศาสดา เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จพระพุทธดาเนินจงกรมอยู่เนี่ยพระเทวทัตมาขึ้นไปอยู่บนภูเขาขีจกูดแล้วก็จึงกลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับพระบรมศาสดาแต่ปรากฏว่าพระบรมศาสดาไม่ได้รับอันตรายถึงสิ้นพระชนชีพตามที่พระเทวทัตบ์มงมุ่งหวังเอาไว้เพราะมียอดภูเขาสองยอด น้อมมารับหินก้อนที่ประเทวทั์กลิ้งลงมานังใบพระองค์ทรงได้รับอันตรายบ้างนิดหน่อยคือมีเ็ดอินที่แตกกระจัดกระจายออกมาจากก้อนหินใหญ่นั้นกระเด็นใบกระทบพระบาทของพระบรมศาสดาจนทาให้พระบาทห่อพระโลหิตก็คือห่อเลือดนะครับพระองค์ทรงเกิดความเจ็บปวดมาก อันหนึ่งมีเรื่องแสดงบุปกรรมในตอนนี้อยู่ในบาลีคัมภีร์คุณตะกนิกายอัปทานแห่งบุพกรรมปิโลติโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าบุปกรรมของพระองค์ไว้ว่าในการก่อนตถาคตเคยฆ่าน้องชายต่างมันดาเพราะเรื่องรับเป็นต้นเหตุโดยได้ผลักน้องชายลงไปในซอกภูเขาแล้ว เอาข้นหินทุมท่มซับทุ่มซ้ําลงไปด้วยผลกรรมนั้นทเทวทัตจึงเอาหินทุ่มตถาคตและสะเก็ดหินที่แตกออกก็ได้มาถูกพระบาทของตอถาคตคือการกระทําบาปของพระพุทธเจ้าในอดีตนั่นเมื่อเอาหินทุม่มน้องชายตายแล้วนะท่านต้องไปตกนรกอยู่นะครับแต่ว่าที่สะเกตหินมาถูก ประบาดของพระองค์นั้นอันนี้ก็เป็นเศษกรรมนะครับแต่กรรมหนักๆนีกนะ่ก็ต้องไปตกอยู่ในในรกเหมือนกันนะครับในครั้งนั้นพระพิสูจนทั้งหลายก็ช่วยกันนําพระบรมศาสดาไปที่สวนมัตตกุจชิแต่พระบรมศาสดาทรงพระประสงค์จะเสด็จจากสวนมัตตกุจชิ ไปยังสวนมะมงของหมอชีวโกโกมารพัฒจ์ิงตรัสว่าดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายพวกเธอจงนําตถาคตไปที่สวนมะมงของหมอชีวโกโกมารพัฒเถิดพระพิสุทิ์ั้งหลายจึงช่วยกันพาพระบรมศาสนาไปที่สวนมะมงของหมอชีวโกโกมารพัฒตามพระประสงค์ฝ่ายหมอชีวโกโกมารพัฒได้ทราบเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประชวร และเสด็จมาประทับอยู่ที่สวนมะมงของตนจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายเพศัตวูขนานที่ฉงัดเพื่อประโยชน์ประสานแผลแล่พันแผลเสร็จแล้วก็ได้กราบทูลขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมพระเจริญข้าพระองค์ได้ประกอบเพศัตวูให้แก่บุคคลผู้หนึ่งที่อยู่ภายนอกพระนคร ข้าพระองค์จะไปที่บ้านของบุคคล น, นั้นก่อนแล้วจะกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนเพสัชนี้จงทรงปล่อยไว้อย่างนี้ที่ข้าพระองค์พันแผลไว้นั่นแหละจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาเฝ้าพระเจ้าข้ารัานหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้ทําการรักษาพยาบาลบุรุษผู้นั้นตามที่นัดหมายเสร็จแล้ว จึงรีบกลับมาเพื่อเข้าฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่มาไม่ทันเวลาที่ประตูพระครปิดเสียแล้วเลยมาไม่ได้เขามีความคิดอ่วงใหญในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากว่าแย่จริงเราได้ทํากรรมหนักเสียแล้วเพราะเราได้ถวายเพสัตว์ขนานแรงและพันแผลที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ ประดุจคนสามัญธรรมดาและเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องแก้ผ้าที่พันแผลออกเมื่อแผลที่เรายัางไม่ได้แก้ผ้าที่พันออกจะเกิดความเร้าร้อนในพรกกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนตลอดคืนอย่างรุ่นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระอนนท์เถระมาเฝ้าและรับสั่งว่าดูก่อนอานอนท์ หมอชิวโกโมารพัฒมาในเวลาเย็นไม่ทันประตูเขาได้คิดว่าเวลานี้เป็นเวลาต้องแก้ผ้าที่พันแผลไว้ออกเพราะฉะนั้นเธอจงแก้ผ้าที่พันแผลออกเถิดพระ น, นตถเอระกระทําตามพระบรมพระ พุทธรรบาดสั่งนั้นปรากฏว่าแผลนั้นหายสนิทเหมือนสะเก็ดไม้หลุดออกจากต้นไม้ฉะนั้นหมายความว่าแผลเนี่ยก็หายสนิท ด, ดีภายในเวลารุ่งอรุณวันนั้นแหละหมอชีวโกโกมารพัต ร, รีบมายังพุทธสำนักโดยเร็วด้วยความเป็นห่วงที่ว่าตนเองได้กระทำผิดพลาดผิดเวลานัดหมายไป เลีกราบถูนถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าความเร่าร้อนเกิดขึ้นในพระรกายของพระองค์หรือไม่พระเจ้าค่ะในพระดำรับตอบในตอนนี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบไม่ได้ตรงกับเจตนาที่หมอชีวโกโกมรพัฒนถามเรื่องความเร่าร้อนที่ท่านเป็นผู้พันแผล ที่ประบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาไว้ว่ากลัวจะเกิดความเร่าร้อนในพละกายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเป็นธรรมะเพื่อให้ข้อคิดกับหมอชีวกโก ม, มารพัว่าดูก่อนชีวกความเร่าร้อนทั้งปวงของตถาคตสงบราบคาบแล้วที่โคนต้นโพนั้นและเมื่อพระองค์จะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมะ จึงตรัสพระกถาคำว่าคาถานี้ก็คือคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลีโดยมีข้อความเป็นธรรมะว่าความเราร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลทางไกลในที่นี้ก็คือหมายถึงทางกันดานหรือวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองครับคือผู้ที่เดินทางไกลถึงที่แล้วไม่มีความเศร้าโศก หลุดพ้นแล้วในธรรมะทั้งปวงธรรมะทั้งปวงนี้ท่านก็หมายถึงขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นผู้ละกิเลสคือสิ่งที่ทําใจให้เศร้าหมองเครื่องร้อยรัตทั้งปวงได้แล้วในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบชนเป็นจํานวนมากที่มาประชุมกัอนอยู่ในสถานที่นั้นก็ได้บรรลุอริยผลคําว่าอริยผลนี้ก็หมายถึง ผลอันประเสริฐทั้งหลายมีพระโสดาปฏิผลเป็นต้นนี่ก็เป็นพระรำลัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบหมอชีวกโกมารพัทซึ่งตรงกันข้ามกับที่หมอชีวกโกมารพัทคิดว่าความเร่าร้อนในโทรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเนื่องมาจากการที่ท่านเป็นผู้พันแผลเอาไว้เนี่ยจะทําให้พระพุทธเจ้า ทรงเกิดความทุกข์ขึ้นความเดือดร้อนขึ้นแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาหรืออธิบายธรรมะให้หมอชีวกโกมารพัฒได้ฟังเป็นไปตรงกันข้ามกับความคิดของหมอชีวกนั้นก็เป็นเหตุผลทําให้หมอชีวกได้รับฟังพระธรรมเทศนาและทําให้ประชาชนที่อยู่ในสถานที่นั้นได้บรรลุมรรคผลกันไปตามสมควรแกว่วาสนาบารมี ที่ตนได้สร้างสมอบรมมาในอดีตชาตินั้นเขานี้มากล่าวก็ถึงวัดที่หมอชีวโกโกมารพัฒได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนานี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระเถระรูปหนึ่งเหมือนกันนะครับคือวัดชีกรัรมพวันเนี่ยชีวกรัรมพวันโดยหมอชีวโกโกมารพัฒสร้างถวายเป็นวัดที่พระจุรบันทกเถระ ได้สำเร็จอริยธรรมชั้นสูงสุดได้มีเรื่องกล่าวอยู่ในอาัจถริยะคำพีมโนรัฐปุรณีความว่าพระจุลบันถุเทระมาจำพรรษาอยู่ในวัดชีวกรัรมพวันและได้เรียนคาถาหนึ่งคาถาโดยใช้เวลาสี่เดือนก็จำไม่ได้เพียงคาถาเดียวนะครับจำไม่ได้ มหาปัญโทกเทระพี่ชายก็นึกรังเกียจน้องชายคือแม้ว่าคาถาแค่หนึ่งคาถาเท่านั้นทว่ายิงท่องไม่ได้ก็เกิดความไม่พอใจน้องชายก็ขับไล่ให้ออกไปจากชีวกันชีวกรรมพวันนั้นพระจุลบัญโทกเทระเมื่อถูกไล่ในท่านก็ คิดอยากจะศึกหนีไปให้พ้นเพราะว่าเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากับตนนับว่าเป็นคนที่โง่เขาบาบรราัญญาหรือว่าเป็นคนอภพอภภาคที่ไม่สามารถจะมีความรู้ในเรื่องประธรรมคําองสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกับว่าตนเป็นคนมีวาสนาน้อยเมื่อถูกพี่ชายคือพระหมหาบัณฑกขับไล่อย่างนั้น ท่านก็มายืนร้องไห้อยู่ที่ในที่สุดของเขตวิหารเหมือนกับคิดอยากจะตัดถึงใจศึกไปเช่นนั่นเองแต่ว่าผลดีหรือผลร้ายจะเกิดขึ้นกับพระจุลปันธกเถระอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปเถอครับเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องข อ, อยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกนะครับสวัสดีครับ